เสื้อตาที่น้ำพาะหพบกันเห็นไออยู่คนเดียวแบบนี้หวังว่าแฟนไอคงบ่งมีและมันคงเป็นเรื่องที่ แต่คือกะหักเป็นนำเขาอยู่เดถ้าอายได้คบกับเจ้าสัญญาว่าสีบอเทเอสีบอไปใส่สีบอเปลี่ยนใจสีกอดเอาไว้แบบนี้ทุกคืนผมหักแท้นะไม่ได้ขี้ตัวมาล่องคบกับผมโลดทเพื้อความหักผมมีเหลือเก็บเอา คดิแพงเด็ิแพงไอซเว้าว่าเป็นจังไดก็มีแต่เจ้ามีเฮาสองคน